Book 2 <25. S 1> <in> 2ยี่สิบห้าในเมืองเอ็นดิสตัดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟอักวิลนอร์ดิสตอสิตุคอนดิฉันต้องการไปที่สนามบิน เอ็กว์ฟิลนอดิเลข้าววที่คนดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมือง i อ็กว n ฟิล่ดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะไปตอร์ดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะฮมไปดิเล ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะไปดิมดสตัดฉันต้องการแท็กซี่ักซี่ดิฉันต้องการแผนที่เมืองัตัดสกริฉันต้องการโรงแรม ดิฉันต้องการเช่ารถยนต์ I w i l g r a a g een carier นี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะ h i e r is my credit card นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะ h i e r is my license ในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะ w a t is d a a r t e z i e n in d i e stad? คุณไปเมืองเก่าสิคะคอนนอดีอสตัดคุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะดุนร์นคุณไปที่ท่าเรือสิคะคดีฮาเวอไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะดุนเอตูร์ันดีฮาเวอ ยังมีที่เที่ยวที่อื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะ istoriendege a n d e r p l e k e van belang ก a r u n ไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด